วิเคราะห์ปาจิตตีเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าปาจิตตีตามลำดับความละเมิดยังกุศลทำให้ตกไปทำอริยมรรคให้เสียไปเป็นเหตุทำให้จิตลุ่มหลงเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกความละเมิดนั้นว่าปาจิตตี